ปติหารไม่ใช่แคลริดแต่มีถึงสามอย่างอิธิปาฏิหารนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นปาฏิหารอย่างหนึ่งในสามอย่างคือหนึ่งอิธิปาฏิหารปาฏิหารคือการแสดงฤทธิต์ต่างๆ 2. อ, อาเทศนาปาฏิหารปาฏิหาร คือการทายใจคนอื่นได้ 3. อนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารคือคำสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริงและนำไปปฏิบัติได้ผลสมจริงความหมายตามบาลีดังนี้ 1. อิทธิปาฏิหาร บางท่านประกอบพลิกต่างๆได้มากมายหลายอย่างคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ขุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้เออมไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ใช้มือจับต้องลูกคลัมพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีกำลังฤิดเดชมากมายถึงเพียงนี้ก็ได้ใช้อำนาจทางกายจนถึงพรหมโลกก็ได้ 2. อ, อาเทศนาปาทิหารภิกษุยอมถ่ายใจถ่ายความรู้สึกในใจถ่ายความนึกคิด ถ่ายความไตรตรองของสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้จิตของท่านเป็นดังนี้นี้ว่าตามเกวัตสูตรแต่ในที่นิกายปาติกวัคในอังกุตรนิกายและในปฏิสัมพิธามักที่อ้างแล้วให้ความหมายละเอียดออกไปอีกว่าบางท่าน ถ่ายใจได้ด้วยสิ่งที่กำหนดเป็นเครื่องหมายคือนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้จิตของท่านเป็นดังนี้ถึงหากเธอจะถ่ายเป็นอันมากก็ตรงอย่างนั้นไม่พลาดเป็นอื่นบางท่านไม่ถ่ายด้วยสิ่งที่กำหนดเป็นเครื่องหมายเลยแต่พอได้ฟังเสียงของมนุษย์อามนุษย์หรือเทวดาแล้วก็ถายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ บางท่านไม่ถ่ายด้วยนิมิตไม่ฟังเสียงแล้วจึงท่ายแต่ฟังเสียงวิตกวิจารของคนที่กำลังตรึกกำลังตรองอยู่ก็ถ่ายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บางท่านไม่ถ่ายด้วยนิมิตไม่ฟังเสียงแล้วจึงถ่ายแต่ใช้จิตกำหนดใจของคนที่เข้าสมาธิซึ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์แล้วย่อมรู้ชัดว่า ท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารความคิดปรุงแต่งในใจไว้อย่างไรต่อจากความคิดนี้แล้วก็จะคิดความคิดโน้นถึงหากเธอจะทายมากมายก็ตรงอย่างนั้นไม่พลาดเป็นอื่นอาเทศนาปฏิหารนี้ดูคล้ายเจโตปริย t า a หรือปารจิตตวิชานคือการอย่างรู้ใจผู้อื่นแต่ไม่ตรงกันทีเดียว เรายังอยู่ในขั้นไทยยังไม่เป็นญาณสาอนุสาสนีปาฏิหาริ์บางท่านยอมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้จงมณสิการอย่างนี้อย่ามนสิการอย่างนี้จงละสิ่งนี้ จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดเฉพาะในเกวัตสูตรในทีฆานิกายอธิบายเพิ่มเติมโดยยกอาการที่พระพุทธเจ้าอุบัติในโลกแล้วทรงสั่งสอนธรรมทำให้คนมีศรัทธาออกบวชบำเพ็ญศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะสันโดษเจริญฌานบรรลุอภิญญาทั้งหกซึ่งจบลงด้วย อาสวัคไกเป็นพระอระหันต์ว่าการสอนได้สำเร็จผลอย่างนั้นอย่างนั้นล้วนเป็นอนุสาสนีปาฏิหาร